จบเสียงอ่านพระไตรปิฎกภาคปฏิบัติหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดข อ, อนุมมทนาชสื้อผาพเพิ่มเติมอีกดังนี้รัตนอาภาอัตโตหิพลพรอภิวัฒนาเสวีอัชรากรพัตรสวุวรรณนาคารภูเบศโพธิชุติเดชสุภกิจสินกนิยาบุญทกานนครอบครัวงามสุริยพง์ครอบครัวชัยรัตน์ครอบครัวแดงนรรักรัศมี